ที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมารับปรุณข้าพเจ้าพระภัยบูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ที่พบ ป, ปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมารับปรุณนี้เราก็ได้นําธรรมะที่บระเจ้าได้ประกาศเอาไว้ได้แสดงเอาไว้นำมาแสดงต่อมาบอกต่อ เพระการบอกต่อแสดงต่อ น, นั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขความสงบระงับของผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจในสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังการมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีควนใส่ร้ายการที่มีปัญหาต่างๆเยอะแยะในช่วงยิ่งวันจันทร์แต่คุณจะต้องลุกขึ้นแต่เช้าไปทํางานสําหรับพวกที่ต้องไปทํางาน คนที่ไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนหนังสือแต่คนที่ไปทํางานก็ไปทํางานแต่ออกไปข้างนอกก็เฮโลกันไปก็มีการกระทบกันบ้างฝากการจราจรบ้างไปถึงที่ทํางานก็มีการพูดคุยปรึกษาหางานปรึกษาหารือทํางานบ้างด่ากันบ้างนันี้มีการกระทบมากขึ้นในการกระทบหมายถึงภาษามีภาษามากขึ้นเป็นภาษาชนิดที่ไม่น่าพอใจมากขึ้น แตเพราะการเบดเบียนมันมันมีมากการที่มีการเบียดเบียนกันในสังคมกันมากขึ้นทุกอย่างเดี๋ยวนี้แข่งขันกันใช้เงินหมดทุกอย่างไม่ได้มีการช่วยกันอย่างสมัยก่อนแต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยช่วงนี้แต่ก็จะมีการเกี่ยวข้าวแล้วเริ่มมีการเกี่ยวข้าวที่วัดป่าดอนไห่โศกแต่แบ้านดอนไห่โนี่สมัยก่อนที่เขาก็จะช่วยกันอ้าวคนนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วเขไปช่วยกันเกี่ยวแต่ตอนดำนาก็ไปช่วยกันดำ เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องเป็นเงินหมดต้องจ้างคนเอาเป็นค่าเป็นราคาไปหมดความคิดที่จะช่วยเหลือกันแบบแต่ก่อนแล้วก็ลดน้อยลงไปคือไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็ยังมีคนที่ช่วยกันอยู่แต่ว่าก็น้อยลงไปมากจนทุกอย่างจะต้องใช้เงินเอ่อต้องมีค่าจ้างมีราคามีอะไรเป็นเครื่องร่อซึ่งทั้งหมดนี้คืออะไรทั้งหมดนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์นะท่านผู้ฟังเป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิง ที่บอกให้ทราบว่าในโลกปัจจุบันนี้มีราคะมีโทสะมีโมหะมากลุ่มรุมมากขึ้นแตกลุ่มรุมจิตใจสัตว์นี่แหละเปามีราคาโทสะโมหะมากลุ่มรุมมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความเดือดร้อนในใจแต่การเดือดร้อนในใจตรงนี้มันก็จะเป็นผ ล, ลผลิตออกมาทางกายทางวาจาแต่ทาไม่ต้องพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทําอย่างนี้เป็นไปเพื่อความตราลิบมากขึ้น เป็นไปเพื่อการเบี่ยดเบียนกันมากขึ้นและในวงราชการเราก็เห็นกันได้ชัดเจนต่งการที่ชอราชบางรลวงเนี่ยการโกงกันคดโกงในระบบราชการซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ได้หนักขนาดนี้แต่นี้มันก็หนักมากขึ้นทําให้มาถึงจุดที่ว่าเอ้ในโลกปัจจุบันที่มันเป็นอย่างนี้มันเราจะอยู่กันอย่างไรสื่อลามกก็มีมากขึ้นสื่อที่เป็นคำหยาบ คำพูดเบียดเบียนอะไรที่เขาเห็นกันว่าเมื่อก่อนไม่ดีบัดนี้ก็กลายเป็นดีไปในโลกปัจจุบันอย่างนี้เราจะอยู่อย่างไรแต่ให้จิตใจของเรามีความสุขอยู่ได้เราต้องมีเครื่องป้องกันธรรมูุฟังธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องป้องกันใครถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจคุณยิ่งจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ยากมากขึ้นแต่มันมีเรื่องเบียดเบียนแลาไม่ต้องเร่าร้อน รุ่มร้อนหัวใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเผือว่าจิตใจเราไม่มีธรรมะเราจะโดนกระทบจากภัตตแน่นอนมันมีแน่นอนเอาแค่คุณเปิดทีวีมาก็มีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจแล้วถ้ า, าไม่มีธรรมะเป็นเรื่องป้องกันจิตเครื่องรักษาจิตเราจะอยู่ได้ยากมากอยู่ยากนี่ในที่นี้หมายถึงทนได้ยากแต่ทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเห็นสิ่งที่มันมีความทุกข์ใจความไม่พอใจอันนี้ก็เป็น ประเด็นที่สําคัญที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือว่าการที่เราจะมีธรรมะเนี่ยบางครั้งมันก็ยากเหมือนกันการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมบางครั้งก็ยากเห็นที่เคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปพระเจ้าเบรบที่เกี่ยวกับการกินยาขมกินยาดองน้ํามูดเน่าเนี่ยนะเป็นยาเป็นผลไม้ที่ดองมาจากน้ําปัสสาวะอย่างนี้แต่ลูกสมอรสชาติกินสดๆเนี่ยก็ไม่ก็ฝาดทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดทั้งรสชาติแปลกๆ ไปดองกับน้ำปัสสวะเพื่อให้มันเป็นยาโอ้มันยิ่งรสชาติแย่ลงไปอีกแต่ว่ามันมีคุณสมบัติของความเป็นยาเรากินแล้วเราจะหายจากโรคได้เหมือนกันบางทีการปฏิบัติธรรมะการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมในใจของเราเนี่ยบางทีมันฝืนเหมือนกันฝืนที่จะต้องอดทนทำสิ่งที่ทำได้ยากคนอื่นเขาโกงกันคนอื่นเขาไปเที่ยวเล่นกันเอ๊ะทาไมฉันจะต้อง ไม่กโกงจันจะต้องอดทนได้รับทุกขเวทนาต่างๆเพื่อที่จะรักษาธรรมะอย่างนั้นเหรอฉันรักษาธรรมะทำไมธรรมะไม่รักษาใจฉันให้เป็นสุขบ้างเลยนี่แหละคือประเด็นที่ว่าบางที่เรากินยาขมแต่แต่กินยาขมแล้วมันมันหายจากโรคที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าคุณไปกินดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติดีมีสีสันดีแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนั้นตอนกินมันหวานอยู่มันรสชาติดีอยู่ แต่ถ้ากินเข้าไปชักงหน่อยน่ะมันจะมีพิษพิษนั้นจะล่นเข้าสู่หัวใจคุณก็จะตายอยู่ดิคุณก็จะได้รับทุกเจียนตายอยู่ดีซึ่งอันนั้นเปรียบกับอะไรอันนั้นเปรียบกับการที่เราทำชั่วทําบาปน่ะเราได้รับความสุขนะเช่นโกงเข้าด่าเข้ามันสนุกปากตอนพูดอยู่นะแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นเป็นผลที่เปิดร้อนเป็นผลที่รุนแรงนะเราอย่าทา พราะเหตนการที่เรามาฝืนในการที่ต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมบางทีมันต้องฝืนมันต้องทวนกระแสเราให้ทำไปแต่อย่างน้อยเรารู้แน่นอนว่าไอ้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่มันดีแน่แต่ตอนนี้มันไม่เห็นละมีแต่ความมึนตึงนันหนักอกหนักใจแล้วก็ฝืนทำไปนะพระหลายองค์หลายรูปมีความคิดจะสึกก็ฝืนอยู่ฝืนประพฤติพรหมจรรย์ สุดท้ายก็บรรลุถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้เหมือนกันเราเป็นค า, าวาสเราฟืนบรรมุณธทําไปตอนที่เราอายุมากขึ้นไปเราคิดหวนดูถึงเรื่องราวต่างๆเราจะมีความภูมิใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรามาเล่าให้ลูกให้หลานฟังได้แต่เป็นความภูมิใจที่เรามีบางคนบอกโอ๊ทไมฉันจะต้องไปรอถึงตอนแก่เอาความสุขที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ดีอยู่หรือดีแน่นอนตามฝังดีแน่นอนถ้าเรารู้จักที่จะเปลี่ยน ยาของเราเปลี่ยนจากไอยาดองน้ํามูดเน่าเนี่ยนะที่มันรสชาติไม่ดีอ้าวคุณไปกินเนยใสในคข้นน้ํามันน้ำพึ่งน้ำอ้อยนะพวกนี้มีคุณสมบัติเป็นยาพระาชาใช้ชื่อว่าเภสัตห้าเพสัชห้าหรือว่ายาพวกเนี้กินแล้วรสชาติมันก็หวานมีคุณสมบัติในการรักษาโรคด้วยเหมือนกันเราจะเปลี่ยนจากยาดองน้ํามูดเน่าให้เป็นยาหวาน เนะป็นยาเหมือนกันแต่รสชาติดีทำได้อย่างไรดังนะคือ บ, บางคนอาจจะไม่มีทางเลือกแตนะ่คุณก็ต้องกินยาที่ขมไปนะเพื่อที่จะให้หายจากโรคบางอย่างเรามีทางเลือกได้เหมือนกันแตนะ่ทางเลือกที่เราจะจะเปลี่ยนอันนี้อยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนเหมือนกันนะนะเพระมงคนเกิดมามืดนะัเกิดมามืดเกิดมาในสกุลต่ำนะสกุลที่จะได้ข้าวอาหารพวกนี้น้อยแล้วนะเราก็ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไปสว่างใน่าการที่จะเ พ, พืดด่อพืชดีทำดีต่ตถึงแม้ว่าเราจะอยู่โดยมีแต่คนพานอยู่รอบข้างเราทำความดีขึ้นมาเขาถูกเข า, าด่าเขาว่าเขาทาร้ายแต่ก็เหมือนกับเรากินยาขมเราก็ฝื้นทนปฏิบัติไปเพื่อที่เราจะได้ไปสว่างการไปสว่างการไปดีตรงนี้นั่นคือความโชคดีของเราเราเกิดมาบาทีเราเลือกไม่ได้แต่ที่เราเลือกได้คือที่ที่เราจะไป การไปดีนี่คือความโชคดีเราเลือกได้ที่เราจะโชคดีให้เราปฏิบัติดีเราทําดีเมื่อไหร่เราโชคดีเมื่อนั้นการโชคดีนี่แหละคือการที่เราไปดีเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีแต่ก็สอนสาวกให้เป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีเหมือนกันแต่เพื่อที่จะมีความโชคดีไปดีทดําดีแต่คือไปสว่างนั่นเองเราทําความดี เ, เราก็ไปได้แต่บางคนเกิดมาเกิดสว่างมาสว่าง ไปสว่างได้เหมือนกันมาสว่างในที่นี้ก็คือว่าเกิดจากเกิดในตระกูลที่จะได้ข้าวอาหารแของเครื่องใช้อะไรต่างๆสมบูรณ์ะมีผิวพรรณงามแแวดล้อมไปด้วยคนที่ดีๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ แ, แล้วก็ไปสว่างก็คือทําดีได้เหมือนกันแล้วก็เปรียบเหมือนกับที่เขากินยาหวานนยาหวานในที่นี้หมายถึงว่าพวกในยใสในค น, น้ํามันน้ํำพึ้งน้ำอ้อยคือความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันอันเป็นผลจากการ ทำความดีแต่มีนะคือความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันอันเป็นผลจากการทําความดีใช่บางทีเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยเราก็เจอความทุกข์ต่างๆาถูกพ่อดาแม่ว่ า, าถูกคนนั้นใส่ร้ายเอราว่าเราทําความดีเราไม่ได้ทําความชั่วแต่ก็ถูกใส่ร้ายนั่นะคือความทุกข์อันเป็นผลจากการที่คุณทําความดีคือการทําความดีนั้นไม่ได้ว่าให้ผลเป็นทุกข์นะ แต่ว่าเรายังได้รับทุกข์อยู่ในปัจจุบันแต่การทําความดีนั้นจะให้ผลในต่อไปอันนี้เปรียบเหมือนกับคนที่กินยาขมในปัจจุบันแตเรารู้ว่าเราการทําความดีของเราจะให้ความสุขเป็นวิบากต่อไปแต่ความสุขเป็นผลต่อไปในภายภาคหน้าแต่ว่าตอนนี้มันยังได้รับความทุกข์อยู่แต่ประเด็นที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือว่าเราจะเปลี่ยนความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้เป็นความสุขได้อย่างไรจะเปลี่ยนจากยาขม แต่เป็นยาหวานเป็นเภสัช ท, ทั้ง5เนี่ยได้อย่างไรแตนะเราพูดถึงแต่คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยานั่นะคือเมื่อเราละจากอกุศลธรรมทํากุศลธรรมแล้วเนี่ยจะให้ผลที่เป็นสุขต่อไปนะแต่บางทีในการที่เราทํากุศลเราละอกุศลเนี่ยปัจจุบนันยังมีทุกข์อยูนะ่ในเมื่อปัจจุบันมันยังมีทุกข์อยู่เราจะทําอย่างไรให้ในปัจจุบันอย่างน้อยเราอย่งพอจะเป็นสุขได้บ้าง รูชาตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องคนที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการรักย์เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าประกอบอยู่ด้วยทุกข์ในประกอบอยู่ด้วยโทมนัสในปัจจุบันมีอยู่แต่ว่าไอ้การเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักย์การที่เรารักษาศีลเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสุขเป็นผลตอบแทนแน่นอนแต่มันยังมาไม่ถึงการที่เราได้รับทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะเหตุอะไรเรามาทําความเข้าใจตรงนี้แต่บางทีมันเป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันเป็นไปได้ เราจะเคยใส่ร้ายเคยด่าเคยว่าเคยพูดจะหยาบคายมาก่อนนะซึ่งจะต้องเป็นผลเป็นวิบากให้เผ็ดร้อนในเวลาต่อมาซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นผลจากตรงนั้นก็ได้อันนี้ข้อที่1นหรืออาจจะเป็นผลจากการที่เราตรีมตัวไม่ดีหรืออาจจะเป็นผลจากเรื่องของการเกี่ยวกับอากาศดินฟ้าอากาศคือเรื่องความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพระเจ้าได้เคยตรัสไว้ ในพระสูตรที่เรียกว่าสีวะกะสูตร ใ, ในที่นี้ก็ตรัสไว้กับบริพาชกนะเกี่ยวกับเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในตัวเราสุข ก, ก็มีทุ ก, ก็มีไม่ทุกไม่สุข ก, ก็มีซึ่งอันนั้นเป็นผลจากอะไรแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักก่กัมเกาก็เป็นไปได้แตนะ่เป็นเรื่องของเหตุแห่งร่างกายในร่างกายเรามีธาตุลมนะมีน้ําดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยแล้วก็เรื่องของเสมหะ คือระบบของการหายใจนะมีทั้งเรื่องน้ําดีเสมาธาดลมนะสามอย่างนี้คือในกายของเราอาจจะเป็นผลจากตรงนั้นก็ได้หรืออย่างถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับฤ ด, ดูกาลฤนะ ด, ดูฝนฤ ด, ดูร้อนฤ ด, ดูหนาวฤนะ ด, ดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงนะไอ้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเกิดจากการรักษาตัวไม่สม่ําเสมอหรือเกิดจากการถูกทําร้ายหรือเป็นผลของกนะรรมแล้วรวม8อย่างตรงนี้ ซึ่งความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากเหตุเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าอย่างเดียวแต่ถ้ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจะทํายังไงให้ความทุกข์นั้นมันดับไประงับไปเราจะเปลี่ยนแปลงเจ้าความทุกข์นี้ให้เป็นความสุขที่ที่ดีขึ้นได้อย่างไรแต่ตรงนี้คือเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวเรื่องชะตัวทุกข์นี้ไงแต่ถ้าเรายังเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเดือดร้อนใจทําสิ่งที่ไม่ดี เราก็จะมีความโหยหาในสิ่งที่ดีมอันนี้ก็จะยิ่งจะเป็นทุกข์สดอกแต่ทุกข์ทางกายดอกหนึ่งทุกข์ทางใจอีกดอกหนึ่งเราจะคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราทําความดีตรงนี้ไปได้เนี่ยนั่นเพราะว่าเราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องความทุกข์ให้ถูกต้องแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นสภาพอะไรมันมีความเป็นไปอย่างไรแต่สภาพที่มันเป็นนั้นแล้วคือมันก็มีเหตุเกิดขึ้นของมันอย่างที่ว่า8อย่างนี้ กรรมเก่าก็มีร่างกายก็มีฤ ด, ดูการก็มีการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็มีซึ่งทั้งหมดนั้นมันเป็นผลของการเกิดขึ้นของผัจนจะัยซึ่งเราจะรับรู้ผัจจัได้ก็ผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจแลนะะมีปัจจัมา ก, กระทบแลนะจึงเกิดเป็นเวทนาคือความรู้สึกขึ้นจะเป็นความสุขก็ตามเป็นความทุกข์ก็ตามก็เกิดอย่างนี้เราทําความเข้าใจในเรื่องความทุกข์นี้ให้ถูกต้องพอเราเข้าใจความทุกข์นี้ให้ถูกต้องแล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน ในใจของเราแต่อเรามีความเข้าใจนั่นคือความรู้ที่แจ่มแจ้งขึ้นไอ้ความรู้ที่แจ่มแจ้งขึ้นนี่แหละแต่ไม่ใจของเรามันเย็นความรู้ที่แจ่มแจ้งเกิดขึ้นในใจของเราทําให้ใจของเราเย็นไอ้ความเย็นที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือนิพพานคือความดับไปดับไปของอะไรนั่นคือดับไปของสิ่งที่ต้องไปปรุงแต่งจะปรุงแต่งตามความทุกข์ปรุงแต่งตามความสุขปรุงแต่งตามความไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งความเย็น ความดับที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นผลจากการที่เราทําความดีนั่นเองใครจะมาเข้าใจความทุกข์ได้เนี่ยจิตเขาต้องมีความสามารถพอสมควรแต่ความสามารถในที่นี้ที่เขาจะมาเข้าใจความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่พุทเจ้าเรียกว่าปัญญานั่นเองใครจะมามีปัญญาทําความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ที่คุณเจออยู่ได้เนี่ยคุณต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นพอสมควรนะเป็นจิตใจที่มีกําลังพอสมควรเป็นจิตใจที่แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวพอสมควร าการที่มีจิตใจแน่วแน่เป็นรมณันเดียวนั่นก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองใครจะทําจิตใจให้มันแน่วแน่เป็นเรื่องเป็นราวมั่นคงอยู่ได้เขาก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แนละไม่ทําชั่วทําบาปทางกายทางวาจาทําไมละ่ะเพราะว่าถ้าทําชั่วทําบาปทางกายทางวาจาเนี่ยจิตใจมันจะอยู่เป็นสุขไม่ได้แต่มันก็จะคิดวุ่นวายมีความกังวลมีความร้อนใจแต่พอมีความร้อนใจมีความกังวลมันจะทําจิตใจให้ แน่วแน่เป็นอารมณ์มันเดียวตั้งมั่นพอที่จะพิจารณาอะไรเนี่ยมันได้ยากเพราะนั้นถ้าเผือว่าเราเว้นจากการฆ่าการลักลการที่ทำไม่ดีการผิดลูกผิดเมียเขาการทำชั่วทาบาปทางกายทางวาจาเราเว้นได้พอเราเว้นได้ใจเราจะเริ่มมีความสบายใจไม่ต้องมีความกังวลไอ้ความไม่กังวลความสบายใจตรง น, นี้แหละมันจะทำให้ใจของเราเั้นเป็นอารมณ์มันเดียวทาให้ใจเราพอที่จะตั้งมั่นได้มีกาลัง นแนวแน่เป็นอารมมันเดียวอยู่ได้ไอความที่เราไม่ทําชั่วทําบาป ท, ทางกายทางวาจานั่นก็คือเรื่องศีนั่นเองนะเราทําศีนของเราให้ดีนั้นเป็นผลที่เกี่ยวข้องกันนะทำฟังพอเราทําศีนของเราให้ดีนะทําทความดีนั่นแหละนะ ท, ทางกายทางวาจาทางใจนะพจรจิตใจของเรามีความเริ่มที่จะไม่ต้องกังวลในความชั่วความไม่ดีที่เราไม่ได้ทำํำนะพอเราเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราพอที่จะ ตั้งมั่นพอที่จะมีกําลังพอที่จะแน่วแน่ได้แล้วนะเราก็จะมาพิจารณาเห็นหเจ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้อย่างจริงๆริงพอเราพิจารณาเห็นความตุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่มันเป็นยังไงนะธรรมชาติเป็นยังไงมันมาอย่างไงมันไปยังไงแตนะ่พอเราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะมีความเย็นเกิดขึ้นแะตความเย็นความวางความรู้ความเข้าใจตรงนี้แหละนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุข และมีสุขเป็นวิบากต่อไปสามีครังหนท่านฟังเรื่องนี้สําคัญนะว่าถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมแล้วยังมีความไม่ไม่แน่ใจยังมีความกังวลใจะมีความที่ทุกทางกายด้วยทุกทางใจด้วยอยู่บ้างนะสุขทางกายด้วยสุขทางใจด้วยอยู่บ้างนะทั้งผู้ที่ได้รับความสุขด้วยนะะั่นแหะทั้งผู้ที่ได้รัความทุกข์ด้วยนะะั่นแหะถ้าเราทําแล้วเรกากำลังเจอความทุกข์ เนีเราจะทําความทุกนี้ให้ดับไปได้เน่เราต้องเข้าใจความทุกข์เขาจะเข้าใจความทุกข์ได้แนี่จิตคุณจะต้องมีมีความแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียวพอที่จะทําความเข้าใจพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แต่คุณจะมันแน่วแน่พิจารณาความเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แต่คุณก็จะต้องเป็นผู้ที่รักษากายวาจาให้มันบริสุทธิ์ไม่มีความกังวลใจในเรื่องกายเรื่องวาจาของเราพอสมควรแตถ้าเราทํากายวาจา ให้มีความบริสุทธิ์นะไม่ต้องมากังวลในเรื่องการประพฤติไม่ดีทางกายทางบาจาของเราแล้วเนี่ยใจของเราพอที่จะตั้งมั่นเป็นอา น, โนโมณ์เดียวแนะ่วแนะนะ่อยู่ได้แล้นะการตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวแนะ่วแนะ่อยู่ได้นี้จะทําให้เราทําความเข้าใจความทุกข์ที่เราเจออยู่ได้พอเราเข้าใจความทุกข์ที่เราเจออยู่ได้แล้วนะเราจะมีความสบายใจไอ้ความสบายใจตรงนี้แหละเกิดขึ้นจากการที่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความทุกข์ ความสุขก็เหมือนกันนะความสุขที่เป็นสุขเวทนาบางคนรักษาศีลเจริญภาวนามีความสุขเกิดขึ้นในใจนะความสุขนั้นเราก็มาเข้าใจตามกระบวนการนี้เราจะทําความเย็นความดับเย็นในภายในให้เกิดขึ้นในใจของเราได้กระบวนการนี้เนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีทั้งการปล่อยทั้งการเกานะแล้วเราปล่อยสิ่งที่เป็นอคตุทธิธรรมแล้วนะเราเกาะเอาไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม เนะกาะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ายึดนะยึดคือแบบจับแล้วไม่ปล่อยเลยนั่นะแน่นหนึบนะจับสิ่งนี้ก็ไปจับสิ่งอื่นแต่การปล่อยการเกาะนั่นะคือปล่อยสิ่งที่เป็นอกุศลเนะกาะสิ่งที่เป็นกุศลเกาะนี่ไม่ใช่ว่ายึดถือแบบไม่ปล่อยคือพร้อมที่จะปล่อยได้นั่นคือการเกานะเพราะว่าเหมือนกับเราจะข้ามแม่น้ําอย่างเงี้ยว่ายน้ําเพื่อที่จะข้ามแม่น้ํานะมีเกาะอะไรที่เขาโปลูมาตามกลางแม่น้ํา เราก็เกาะตรงนี้ไปเกาะแก่งตรงนี้แก่งนี้เกาะไปกระโดดไปเกาะอีกแก่งหนึ่งกระโดดไปเกาะหินอีกก้อนหนึ่งแล้วกระโดดไปกระโดดไปเพื่อที่จะไปถึงฝั่งแม่น้ําฝั่งนู้นได้น้ํามันเชี่ยวน้ํามันแรงสมัยนี้ยิ่งเชี่ยวยิ่งแรงยิ่งอันตรายเพราะอํานาจของตันหาอหํานาจของกิเลสน้ําเชี่ยวน้ําแรงอย่างนี้ยิ่งต้องเกาะด้วยความระมัดระวังเกาะแล้วก็ไม่ใช่เกาะคายอยู่ตรงนั้นนเกาะก็พร้อมที่จะปล่อย ซึ่งการเกาะตรงนี้หมายถึงสารณะนั่นเองน่ะเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่คาว่าสารณะเนี่ยแปลออกมาเลยก็ได้ว่าแมาว่าการเกาะน่ะเราเอาตนเป็นเกาะเอาตนเปที่พึ่งเอาทําเป็นเกาะเอาทําเป็นที่พึ่ง น, เเนงะเกาะในที่นี้หมายถึงคํานามด้วยนะเกาะในที่นี้หมายถึงกริยาด้วยนะเกาะคือแบบเกาะแก่งต่เป็นคํานามแต่เป็นสิ่งที่ลอยขึ้นให้เราไปเกาะน่ะเกาะที่สองนี่คือกริออยาที่เราไปเกาะได้เกาะก็พร้อมที่จะปล่อยได้ เพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราไม่วางตรงนั้นนั่นก็จะเป็นการยึดถือยึดถือคุณก็แช่อยู่ตรงนั้นนะคุณก็ไม่ออกจากกระแสน้ํ า, น, า น, นี้ได้สักทีเราจะไปถึงฝั่งนู้นได้เราก็ต้องใช้ทั้งปล่อยทั้งเกาะนะเราอยู่ฝั่งนี้เราจะไปถึงฝั่งนู้นได้เราก็ต้องปล่อยสิ่งที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยปล่อยเจ้าอากุศลสิ่งไม่ดีนะไปเกาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั้นเราก็เกาะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมขึ้นไปเรื่อยๆอ้า คุณจะไปเกาะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมใหม่ได้ไงคุณต้องปล่อยนะสิ่งที่เป็นอกุศลเดิมที่เห็นว่ามันดีอยู่เนี่ยปล่อยซะหรือเปรเียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับการที่เราจะเดินไปแต่ถ้าคุณไม่ยกเท้าหลังขึ้นไม่ปล่อยเท้าหลังขึ้นคุณจะเดินไปข้างหน้าได้ไงแต่ถ้าคุณไม่พยายามที่จะก้าวลงไปในสิ่งที่ขณะแล้วคุณจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไงนะมันต้องมีทั้งการปล่อยการเกานะและการปล่อยการเกาะตรงเนี้ย ลักษณะที่เราเห็นการที่เกิดขึ้นดับไปด้วยการปล่อยการเกาะตรงนี้คือลักษณะที่คุณปล่อยสิ่งที่เป็นอกุสนะไปจับไปถือในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลตรงจับตรงถือนั้นพระพุ that, ทธเจ้ า, ชาใช้กิริยาที่เรียกว่าเป็นสารณะคือการเกาะพอเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเรายกเท้าหลังเราก้าวเท้าหน้าเรายกเท้าหลังแล้วก้าวเท้าหน้าเส้นทางที่ผ่านมาก็าเคือเส้นทางนั้นคืออริยมรรคมี่ง8แล้วเราจะไม่สามารถ เดินไปข้างหน้าได้เลยถ้าเราไม่ปล่อยเราไม่สามารถที่จะพ้นจากข้างหลังไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่ปล่อยในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เลยถ้าเราไม่เกาะเพราะฉนั้นมันทั้งยึดทั้งปล่อยทั้งยึดทั้ง aches, ปล่อยนะเพื <ep> ่อ <re để S 1> ที่จะให้เราไปข้างหน้าได้เพื่อที่จะให้เราไปตามทางได้เพราะนั้นถ้าคุณบอกว่าเป็นไปเพื่อความปล่อยวางอย่างเดียวละทิ้งหมดทุกอย่างมันก็ยังไม่ถูกร้อยเปร์็์เพราะมีส่วนที่ต้องเกาะต้องใช้เหมือนกันแต่ถ้าเราจะบอกว่าคําสองพระเจ้า เป็นไปเพื่อเกาะเพื่อเอาอย่างเดียวพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะมันมีส่วนที่ปล่อยวางเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นไอ้คาสอนที่เป็นลักษณะทั้งให้เห็นถึงความเกิดขึ้นถึงความดับไปเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วก็ไม่ทั้งเกาะไม่ทั้งปล่อยนี่คนที่ถึงฝั่งนู้นแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาเกาะแก่งหินไม่ต้องปล่อยแก่งหินอีกแล้วนะเว้นทั้งจากการเกาะเว้นทั้งจากการปล่อย คนที่เดินถึงที่หมายแล้วไม่ต้องยกเท้าหลังแล้วไม่ต้องก้าวลงเท้าหน้าแล้วยืนอยู่เฉยๆจะนั่งก็ได้สบายใจไอ้สภาวะที่คุณยืนอยู่เฉยๆไม่ต้องทั้งยกเท้าหลังไม่ต้องก้าวเท้าหน้าสภาวะที่คุณถึงฝั่งนู้นไม่ต้องทั้งเกาะไม่ต้องทั้งปล่อยเนี่ยนั่นคือนิพพานคือความเย็นมีครั้งหนึ่งมีเทวดามาถามพระพุทธเจ้าแอกว่าไอ้ทอํายังไงถึงจะข้ามห่วงน้ําที่มันน้ําท่วมอยู่ตรงนี้ได้แต่พรุชาตรัสไว้ใน โอเคตอนนั้นสูตรแล้ว ก, ก็บอกว่าเอาไม่พักไม่เพียนก็ข้ามได้ถ้าพักก็จมอยู่ถ้าเพียนก็ลอยอยู่แต่ถ้าไม่ทั้งพักไม่ทั้งเพียนก็คือข้ามได้แล้วการพักก็คือการที่คุณจมลงไหลไปตามน้ําคุณเพียนคุณก็เพื่อที่จะว่ายไปสู่ฝั่งนู้นแต่ถ้าเราถึงฝั่งแล้วเราไม่ทั้งพักไม่ทั้งเพียนคือไม่ทั้งเกาะไม่ทั้งปล่อยคนถึงฝั่งแล้วก็สบายใจละ ภาวะนั้นคือการที่ข้ามแล้วซึ่งห่วงน้ําข้ามแล้วซึ่งห่วงน้ําที่มันท่วมอยู่แล้นเราไปถึงฝั่งที่ปลอดภยัยละสบายใจละนั่นคือความดับเย็นถ้าเราพ้นจากห่วงน้ําแล้วเราก็ไม่ทั้งเกาะไม่ทั้งปล่อยเหมือนกันคือตอนที่ธาตุจิตของเรายังมีอยู่ถ้าวิญญาณของเรายังมีอยู่เราก็ต้องละอกุศลเจริญกุศลละสิ่งที่ไม่ดีและมีเจ้าตันหาวิชาเป็นต้นมาเอาสิ่งที่ดีคือสติเป็นต้น โพชงเจตเป็นต้นนะอริยะสัจสีเป็นต้นเอาสิ่งนีนะ้เราเอาละสิ่งที่ไม่ดีจิตของเรามีอยู่ระสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ดีแต่ถ้าจิตไม่มีถ้าวิ ญ, ญญาณดับไปพุทธเจ้าก็บอกว่าสตินามรูปก็ดับไปด้วยนะสติและนามรูปดับไปไม่เหลือเพราะความดับแห่งวิญญาณถ้าวิ ญ, ญญาณดับไปก็ไม่ต้องทั้งปล่อยกับกุศลไม่ต้องทั้งเอาสิ่งที่เป็นกุศลนั่นเอง กันเทศตอนนี้ชื่อว่าไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอกาสได้ถ้าท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะสื่อสารกับทางรายการก็ยินดีรับฟังแต่ส่งมาที่เลขที่หนึ่งหมู 8, ่แปดตบลดอนไหยโซกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธา น, นีรหัสไปรษณีย41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็เียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a วันนี้ครับานผ้ขอลาไปก่อนเจริบทร์